วันนี้เป็นวันเสาร์ที่29กรักรกฎาคมพุทธศักราช2566เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมผู้ปรารถนาความสุขปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ ได้มารวมกันนะที่นี้เพื่อที่จะได้มาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการวิธีหาความสุขและดับความทุกข์ที่ถูกต้องว่าจะทำอย่างไรเรื่อนี่จะทำให้เรามีความสุข และดับความทุกข์ได้อย่างถูกต้องได้อย่างแท้จริงเพราะในโลกนี้ <c oughs> มีวิธีการหาความสุข <c oughs> และดับความทุกข์ที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มีโอกาส ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้จากวิธีหาความสุขวิธีดับความทุกข์ที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรเราก็จะรู้แต่วิธีที่หาความสุขและดับความทุกข์ที่ไม่ถูกต้อง วิธีที่ถูกต้องนั้นเป็นวิธีที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ได้สงคนพบวิธีการหาความสุขและการดับความทุกข์ที่ถูกต้องว่าหาอย่างไร ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาหรือว่าถ้าไม่ได้เข้าพบกับพระพุทธศาสนาก็จะไปเรียนวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นวิชาความรู้ต่างๆที่ไปเรียนตามสถาบรรันการศึกษาต่างๆในโลกนี้ล้วนสอนวิธีการหาความสุขและดับความทุกข์ที่ไม่ถูกต้อง คือจะไม่สามารถหาความสุขและรักษาความสุขให้อยู่ไปได้ตลอดหรือดับความทุกข์ให้หมดไปได้ตลอดจะได้แต่ความสุขแบบชั่วคราวและการดับความทุกข์แบบชั่วคราวเท่านั้น นี่คือวิธีของทางโลกที่ไม่รู้จักวิธีการหาความสุขและดับความทุกข์อย่างแท้จริงว่าเป็นอย่างไรก็จะไปหาความสุขแบบไม่ถูกต้องดับความทุกข์ไม่ถูกต้องกันวิธีการที่ไม่ถูกต้องนี้คืออะไรก็คือการ หาความสุขจากโลกกระมทั้งสี่ได้แก่ลาภยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆนี่คือวิธีหรือสิ่งที่คนทางโลกคนที่ไม่ได้ศึกษาทางธรรมคนที่ฉลาดทางวิชาทางโลก จะหลงคิดกันว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับตนเป็นสิ่งที่จะสามารถดับความทุกข์ของตนได้ก็จะมุ่งไปสู่การหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัชชนิดต่างๆแล้วก็จะต้องผิดหวัง เพราะว่าลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกทิ้นกายนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเป็นของที่มีการเจริญและมีการเสื่อมเวลาที่ได้ความเจริญทางลาบยศสารเสริญสุข เวลานั้นก็จะได้ความสุขและดับความทุกข์ได้ชั่วระยะหนึ่งแต่พอเวลาที่เจอกับความเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขคือเคยมีเงินมีทองก็หมดเนื้อหมดเนื้อหมดตัวไปเคยมียศมีตำแหน่งก็หมดยศหมดตำแหน่งไป เคยได้รับการสรรเสริญยกย่องเยินย อ, ย อ, ย อ, ยอก็หมดไปเคยได้รับความสุขจากรูปเสีย ง, งกลพพิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆก็หมดไปเวลาที่มันเสื่อมเหมือนกับน้ำขึ้นน้ำลงในทะเลสังเกตได้ว่าบางเวลาน้ำก็จะล้นเต็มตะเล บางเวลาน้ำก็จะลดลงไปจนสามารถเห็นพื้นดินได้นี่คือลักษณะของโลกธรรมทั้งสี่ที่คนที่ไม่ได้มีธรรมะไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนจะแสวงหากันเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่จะสามารถให้ความสุขกับตนและสามารถ ดับความทุกข์ให้กับตนได้แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นของชั่วข่าวเท่านั้นเองมันเป็นของที่ให้ความสุขระดับความทุกข์ได้เวลาที่มันเจริญเวลาที่มันดีมันมั น, ม, นมันเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองแต่เวลาที่มันถดถอยเวลาที่มันเสื่อมลงเวลานั้นก็จะต้อง พบกับความสิ้นสุดหรือความสูญหายของความสุขและการปรากฏขึ้นของความทุกข์นี่แหละคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นความสุขและเป็นการให้ความสุขและดับความทุกข์ที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะแสวงหากันพระพุทธเจ้าก็เคยแสวงหาความสุขจาก โลกธรรมทั้งสี่นี้มาก่อนสมัยที่ยังไม่ได้ออกบวชพระองค์ก็เป็นเจ้าชายเป็นพระราชาโอรสของของกษัตริย์ผู้มีพร้อมด้วยโลกธรรมทั้งสี่คือลาบยศสรรเสริญ ส, สุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เนื่องจากพระองค์นั้นเป็นคนที่ฉลาดคนที่สังเกตรบอบคอบ สามารถเห็นความเจริญและความเสื่อมของโลกกระทำทั้งสี่นี้ได้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่จีรังถาวรก็เลยทรงตัดสินพระทัยที่จะไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีความ นิยมช ม, ชมชอบในระหว่างนักบวชนักบวชนี้เป็นผู้ที่หันหลังให้กับการแสวงหาราบยศสรรเสริญสุขแล้วหันหน้าเข้ากับไปกับการหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากการทำความดีต่างๆ ความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบความสุขที่เกิดจากการระงับความโลภความโกรธความหลงของใจอันนี้เป็นสิ่งที่นักบวชผู้ที่มีสติปัญญาความรู้ความฉ ล, ลาดสามารถมองเห็นถึงความสุขและความดับทุกข์ที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าก็เลยส่งสละราชสมบัติแล้วก็ส่งออกบวชเพื่อที่จะไปหาความสุขที่แท้จริงและการดับทุกข์ที่แท้จริงด้วยการกระทำความดีต่างๆที่เรียกว่าบุญจนสามารถที่จะ ทำความดีถึงขั้นสูงสุดได้สามารถสร้างความสุขที่สูงสุดและดับความทุกข์ที่สูงสุดได้คือสามารถทำให้ใจนั้นมีแต่ความสุขตลอดเวลาและก็สามารถป้องกันร ด, ดับความทุกข์ ไม่ให้เกิดขึ้นในใจได้ตลอดเวลาหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงศึกษาและได้ทรงปฏิบัติจนได้พบกับความสุขที่แท้จริงและการดับความทุกข์ที่แท้จริงแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงนำเอาความรู้และวิธีการสร้างความสุขดับความทุกข์ที่แท้จริงนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรา ผู้ที่ปรารถนาอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงและปรารถนาที่อยากจะดับความทุกข์ที่แท้จริงว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างคำ mm hmm. สั่งคำสอนของพทธเจ้า mm hmm. นี่ mm hmm. ก็ที่ mm hmm. นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนนี้ mm hmm. ก็เป็นวิธีการสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรและดับความทุกข์ ที่แท้จริงที่ถาวรซึ่งมีอยู่สิวิธีการด้วยกันเพราะแต่ละวิธีการก็สามารถที่จะสร้างความสุขระดับความทุกข์ได้ในระดับต่างๆกันก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องมีวิธีที่หลากหลายต่างแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย วิธีหาความสุขและดับความทุกข์ที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงนำมาสอนนี้เรียกว่าวิธีทำบุญสิบชนิดด้วยกันภาษาพระท่านเรียกว่าบุญญากิริยาวัตถุสิบประการซึ่งมีอยางต่อไปนี้วิธีที่หนึ่งก็คือการทำทานทานแปลว่าการให้ ให้สิ่งของทรัพย์สินเข้าของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ให้ไปเราไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สินต่างๆที่เรามีอยู่ในโลกนี้เป็นของที่อยู่กับโลกนี้เวลาที่ร่างกายตายไป ดวงวิญญาณคือใจของพวกเรานี้ไม่สามารถนำเอาทรัพย์สินต่างๆไปกับเราได้แต่เราสามารถเอาบุญคือความสุขใจที่เกิดจากการทําทานนี้เอาไปแทนได้เพราะบุญที่เราทํานี้เป็นความสุขที่จะอยู่กับใจของเราไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการ ใช้เงินทองไปซื้อข้าวของต่างๆมาให้เราเสพทางต า, งางหูจมูกลิ้นกาย<ม>อันนั้นเป็นความสุขแบบชั่วกาวไปเที่ยวแล้วพอกลับมาบ้านความสุขนั้นก็หมดไป<ม>ตายไปความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้<ม>แต่ความสุขที่เกิดจากการทาบุญทาทานนี่ มันอยู่กับใจของเราและจะไปกับใจของเราได้ต่อไปมีคือความสุขอันหนึ่งที่จะพาให้ใจเรามีความสุขหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วและความสุขที่ได้จากการทำบุญนี้ทำทานนี้ก็จะทำให้ใจเราได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ก็มีหลายชั้น มีสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นอริยบุคคลสวรรค์พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นสวรรค์ที่เกิดจากการทำบุญในระดับต่างๆกันแต่การทำทานนี้จะทำให้เราได้ไปสวรรค์ตัานเป็นสวรรค์ชั้นต้นชั้นที่หนึ่งที่เราเรียกว่าสวรรค์ชั้นเทพแล้ก็มีสวรรค์ที่สูงกว่านั้นเรียกว่าสวรรค์ชั้นพรหม แล้วก็มีสวรรค์ชั้นของพระอริยเจ้าอของพระพุทธเจ้าขั้นแรกนี้การทำทานนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขในขณะที่เรามีชีวิตอยู่วเวลาเราเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้แก่ผู้อื่นไปเพื่อให้ผู้อื่นเขาได้ปลดเปื้องความทุกข์ยากลำบาก หรือให้เขาได้มีความสุขมันก็จะทำให้ใจของเรานี้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วความสุขนี้มันไม่หมดไปหลังจากที่เราทำบุญเสร็จแล้วไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยว<ม>การไปเที่ยวเวลาเรากลับมาความความสุขทีได้จากการไปเที่ยวมันหมดไปมันไม่มีอะไรตกค้างหลงเหลืออยู่ในใจแต่ความสุขที่เราได้จากการทาบุญนี้ มันจะสะสมอยู่ในใจเป็นเหมือนสเสบียงที่จะดูแลรักษาใจของเราให้มีความสุขไปเรื่อยๆหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วความสุขนี้ก็จะส่งให้ใจได้ไปสวรรค์นี่คือวิธีการสร้างความสุขดับความทุกข์ขั้นแรกคือการทำทานขั้นที่สองท่านก็สอนให้เรารักษาสิ่ง การรักษาศีลนี้ก็คือการไม่กระทำบาปการไม่กระทำบาปก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาถ้าเราสามารถรักษาศีลได้ใจของเราก็จะอยู่เป็นปกติสุขโดยจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไม่ ไม่เดือดร้อนใจของเราก็จะอยู่ในฐานะของมนุษย์อย่างที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าเรารักษาศีลไม่ได้ถ้าเราไปทำบาปทำกรรมใจของเรานี้จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่เราไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อาเภิดผิดประเพณีพูดปด ใจของเราจะมีความรู้สึกกวนกวยรู้สึกไม่สบายใจหรืออาจจะมีความหวาดวิตกกังวลความรู้สึกแบบนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์ใจแล้วก็เป็นเหตุที่จะทำให้ใจนี้ลงต่ำลงต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ถ้าตายไปท่านทำบาปและสะสมบาปไว้มากๆ เวลาตายไปนี้ใจจะต้องไปชดใช้กรรมที่ได้ทําไว้ในอบายในอบายก็มีอยู่สี่สถานด้วยกันคือหนึ่งไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานจะไม่ได้ร่างกายของมนุษย์ถ้ายังมีบาปกรรมที่สะสมไวในใจยังไม่ได้ไปใช้ก็ต้องไปใช้กรรมก่อน ไปเกิดเป็นสัตว์เดราชานถ้าช่วงที่ไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดราชานก็อาจจะไปเป็นเปรตเป็นอสุ ร, รากายหรืออาจจะอยู่ในนรกนรกหรืออสุ ร, รากายหรือเปรตนี้คือสภาพจิตใจที่รุ่มร้อนด้วยความทุกข์ชนิดต่างๆสภาพจิตใจที่เรียกว่าเปรตนี้ เป็นสภาพจิตใจที่รุ่มร้อนด้วยความหิวโหวยเพราะว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์นี้ได้ทำบาปไว้ด้วยความโลภทำบาปเพราะอยากได้เงินทองมากๆอยากได้อะไรมากๆแล้วยังไม่สามารถทำได้โดยที่ไม่ได้ทำบาป ก, ก็ลองใช้วิธีทำบาปเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตนเองอยากได้มากๆมาครอบครอง ดวงวิญญาณนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยทำบาปเพราะความโลภดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเราเรียกวดวงวิญญาณนี้ว่าเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกบุคคลนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนเหมทำบาปเพราะความกลัว ก็จะทำให้ดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวพุ่มห่อจิตใจพุ่มห่อดวงวิญญาณ<ม>เป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์มีแต่ความหวาดระแวงด้วยความกลัวต่างๆแล้วถ้าทำบาปด้วยการอาฆาตพยาบาทโกรธเกียดเคียดแค้น ดวงวิญ ญ, ญาณรู้จิตใจก็จะเป็นดวงใจที่รุ่มร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทกินไม่ได้นอนไม่หลับดวงวิญญาณลักษณะนี้เรียกว่านารกผู้ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยความโกรธเกลียดเครียดแคนอาฆาตพยาบาทดวงวิญ ญ, ญาณก็จะลายเป็นนรกไปนี่คือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่ถ้าไม่รักษาสิลงถ้าไม่ละเว้นจากการกระทำบาปคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงถ้าทาได้ถ้ารักษาศีลได้ก็จะปิดประตูอบายได้ตายไปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบาย ถ้ายังไม่ได้ทําบุญทําทานยังไม่มีบุญพาไปสวรรค์ตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อเพราะการมีศีลนี้เป็นการรักษาสถานภาพของความเป็นมนุษย์เอาไว้ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ต้องไม่ทําบาปไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอันใดก็ตามไม่มีข้อยกเว้นการทําบาปนี้เป็นการกทํำที่ ไม่ไม่ได้ให้คุณให้ประโยชน์แก่ผู้กระทามีแต่ให้ความทุกข์กับผู้กระทาทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้วนี่คือการกระทาที่จะทำให้ป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่ทำบาปแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสบายไม่วุ่นวายไม่วิตกกังวลไม่หวาดกลัว ข้อที่สของการกระทำความสุขให้กับใจก็คือการภาวนาการภาวนานี้แปลว่าการชำระใจชำระสิ่งที่เป็นเครื่องเครื่องเศร้าหมองสิ่งที่สร้างความความเศร้าหมองความไม่ไม่สดชื่นเบิกบาน ไม่ไม่ไม่มีความสุขให้กับใจก็คือกีเล ต, ตันหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆการชำระจิตใจนี้ต้องใช้วิธีการภาวนาการทำบุญทำทานหรือการรักษาศีลนี้ยังไม่สามารถที่จะซักพอกจิตใจได้กำลังของทาน กำลังของศีลนี้มีกําลังไม่มากพอจําเป็นต้องใช้วิธีการซักฟอกด้วยการภาวนาการภาวนานี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเรียกว่าสมถภาวนาคือทำใจให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วขั้นที่สองหลังจากที่เราได้สมาธิแล้ว เราก็ไปขั้นที่สองคือขั้นวิปั ส, สนาภาวนาคือการทำกำาจัดกิเลสด้วยด้วยปัญญาด้วยความเห็นที่ถูกต้องด้วยความรู้ความเห็นที่ถูกต้องที่เรียกว่าปัญญาถ้าเรามีการภาวนาความโลภความโกรธความหลงนี้ก็จะถูกกำจัดไปได้อย่างหมดสิ้น ถ้าเราได้ขั้นแรกของส ม, มะถะคือส ม, มะถะภาวนาคือทําใจให้สงบให้นิ่งด้วยการเจริญสติด้วยการใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์คอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาไปกับความคิดต่างๆเช่นใช้กรรมฐานที่เรียกว่าพุทธานุสติคือเราลิกถึงพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติก็จะ เพียรพยายามเจริญบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ต้องการปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบการภาวนานี้กล้าจะให้ได้ผลจริงๆนี้ยํามเป็นที่จะต้องปฏิบัติเต็มรูปแบบคือปฏิบัติแบบนักบวช คือเป็นผู้ที่ไม่มีภารกิจการงานต่างๆที่ต้องทำนอกจากภารกิจที่จำเป็นเล็กๆน้อยๆอยอยคือการเลี้ยงชีพการหาอาหารมารับประทานการอาบน้ำอาบท่าดูแลร่างกายไปนิ้วทำความสะอาดของสถานที่เท่านั้นถ้าอยากจ ะ, จะเจริญสั ม, มถะภาวนาคือทำใจให้สงบนิ่ง เพราะการทำใจให้สงบนิ่งนี้ก็จะทำให้กิเลสปัญหาความโลภความโกรธความหลงที่เคยเพ่นพ่านอยู่ตลอดเวลานี้ก็จะหยุดทำงานชั่วคราวเวลาจิตนิ่งสงบจิตเข้าสมาธิเข้าไปในอัปปนาสมาธิได้เข้าไปในรูปฌปานขั้นที่สี่ได้ใจจะนิ่งสงบสัตว์แต่ว่ารู้เวลานั้นความคิดต่างๆก็หยุดคิดไว้ชั่วคราว พอความคิดหยุดกิเลสตัณหาที่ใช้ความคิดเป็นเครื่องมือก็ไม่สามารถทำทำหน้าที่ได้เวลาใจนิ่งแล้วความโลภ ก, ก็ออกมาไม่ได้ความโกรธก็ออกมาไม่ได้ความหลงก็ออกมาไม่ได้แต่พอเวลาออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้ ความโลภ ก, ก็จะเกิดขึ้นทันทีเห็นสิ่งที่ชอบก็โลภ ก, ก็อยากได้เห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็เกิดความโกรธขึ้นมาทันทีเห็นเบื้องต้นวิธีที่จะชำระหรือกําจัดความโลภความโกรธความเหลื่อยก็คือให้ใช้วิธีสมถภาวนาทําใจให้นิ่งก่อนเพราะการทําใจให้นิ่งนี้มันเป็นวิธีการที่ง่ายกว่าการที่จะ ใช้วิธีการของปัญญาหรือวิปัสสนาที่จาเป็นที่จะต้องมีใจที่นิ่งก่อนถึงจะสามารถที่จะไปสู่การเจริญวิปัสสนาภาวนาได้เบื้องต้นเลยต้องฝึกการเจริญสมถะภาวนาก่อนพยายามทำใจให้นิ่งอยู่เรื่อยๆพยายามหยุดคิดไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่มานั่งสมาธิเท่านั้น ต้่งควรพยายามห้ามความคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะห้ามได้ความคิดที่ไม่จําเป็นต่างๆที่จะต้องคิดถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเต็มรูปแบบแล้วนี้เราแทบจะไม่มีอะไรจะต้องคิดเลยนอกจากการดูแลร่างกายของเราให้อยู่เป็นปกติสุขเท่านั้นดูแลสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยนอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีภาระอะไรที่จะต้องเอามาคิด ให้ใจวุ่นวายไปเปล่าๆวิธีแต่ใจถ้าไม่มีสติไม่มีกรรมฐานคอยมาสากัดความคิดมันก็จะคิดไปเรื่อยยถึงแม้ไปบวชแล้วถ้าไม่เจริญสติไม่ใช้กรรมฐานคอยควบคุมความคิดใจมันก็จะคิดไปเหมือนกับสมัยที่ไม่ได้บวชเพราะมันเป็นนิสัยที่ติดมากับใจเป็นเวลาอันยาวนาน ลองสังเกตดูว่าเราเคยหยุดคิดกันบ้างไหมในแต่ละวันตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้เราเคยนั่งอยู่เฉยๆแล้วใจก็นิ่งไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้หรือไม่แม้แต่เพียงแค่ไม่ไม่กี่วินาทีนี้ก็ยังไม่เคยปรากฏขึ้นมาเลยเพราะว่าความคิดนี้มันเป็นเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขา รถที่วิ่งลงเขาวนี่อยู่ดีๆจะให้มันหยุดของมันเองนี้มันไม่หยุดหรอกถ้าเราไม่มีการการหยุดรถ ด, ด้วยการเบรกรถใจก็เหมือนกันใจเราก็จะคิดคิดอย่างนี้มาไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่ร้อยล้านชาติแล้วก็ไม่รู้คิดอยู่เรื่อยๆ <S <S 1> <S 1> นั้นถ้าเราอยากที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลง สกัดกั้นกำลังของความโล้ความโกรธความหลงนี้ให้มันอ่อนลงเพื่อที่เราจะได้ใช้วิปัสสนาภาวนามาทำลายมันเราจำเป็นที่จะต้องเหมือนเจริญสติอยู่เรื่อยเหมือนเจริญสติใดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ที่เราได้ยินได้ฟังกันก็คือการใช้คำบิกรรมพุทโธพุทโธ เพราะเป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากและง่ายเช่นพอเราลืมตาขึ้นมาแล้ว <pper pper> เราปกติเราก็จะคิดแล้ววันนี้วันอะไรเป็นที่ไหนจะไปทำอะไร <sk ill> คิดไปเรื่อยไปเลย <sk ill> ในขณะที่เราไปเตรียมตัวอาบน้ำนังหน้าแปรงฟัน <sk ill> แต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารใจเราก็คิดไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปตลอดถ้า บ่อยให้คิดอย่างนี้เราก็จะไม่สามารถที่จะทําใจให้นิ่งได้เวลาที่เรามานั่งสมาธิเวลาเรามานั่งสมาธิใจเราก็ยังที่จะคิดต่อไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเกี่ยวกับคนนั้นเกี่ยวกับคนนี้คิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตคิดไปจนกระทั่งใจฟุ้งซ่านขึ้นมาผู้ที่ฝึกนั่งสมาธิใหม่ๆมักจะพูดกันว่านั่งไม่ได้นั่งไม่ได้เพราะใจมันฟุ้ง ก็เพราะว่าเราไม่ควบคุมความคิดมาก่อนที่เราจะมานั่งคิดว่าพอมานั่งหลับตาปุ๊บแล้วมันจะนิ่งทันทีมันไม่นิ่งหรอกเพราะมันเป็นรถที่ไม่มีเบรกไม่มีสติใจไม่มีสติแต่มานั่งเราจะหวังให้ใจเป็นสมาธิขึ้นมานี้มันเป็นไปไม่ได้ต้องไปติดเบรกก่อนติดต้องไปเจริญสติก่อนต้องไปคอยสกัดกั้นความคิดก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิ ตอนที่เราเตื่นขึ้นมาเราก็เริ่มหยุดความคิดด้วยการใช้คําบริกรรมพุโทโธไปแทนพุโทโธไปเรื่อยๆถึงแม้่าบางทีก็เผลอพุโทโธได้สองสามคำก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดึงมากลับมาใหม่กลับมาพุโทโธใหม่พยายามให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆให้มากที่สุดตลอดเวลาในช่วงที่เราไม่ต้องใช้ความคิดในการเตรียมตัว ช่วงเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเราต้องเตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก่อนที่เราจะออกไปทำภารกิจอะไรต่างๆช่วงนั้นเราสามารถที่จ ะ, จะเจริญสติได้ดีเพราะไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จาเป็นจะต้องคิดแต่ถ้าเราออกจากบ้านไปแล้วแล้วเราต้องไปทำงานอันนั้นก็อาจจะลำบาก ต่อการที่จะใช้พุโทโธพุธโทโธหยุดความคิดเพราะเราต้องใช้ความคิดกับเรื่องงานเรื่องการที่เราทาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับถ้าเรายังมีภารกิจในการทำงานทำการอยู่ดังนั้นวิธีการที่จะสามารถเจริญสติได้ทั้งวันตะออย่างต่อเนื่องนี้ต้องทำในวันที่เราไม่มีภารกิจการทำงานเช่นวันหยุดวันหยุดทางานเราก็อาจจะไปอยู่วัด ไปอยู่วัดเพื่อที่จะได้ใช้เวลาที่อยู่วัดนี้ให้กับการเจริญสติเนี่ยไปผลค้นไปผลที่คนเรามาอยู่วัดกันนี้ก็เพื่อที่จะมาภาวนากันนี้เองมาเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบเพราะว่าอยู่บ้านมันเครียดมากเครียดกับเรื่องงานเครียดกับเรื่องคนเครียดกับเรื่องราวต่างๆจนทําให้ ไม่มีความสุขเลยบางทีถึงอาจจะมีความคิดสั้นอยากจะฆ่าตัวตายกันก็มีจาเป็นที่จะต้องไปหาที่สงบไปอยู่ที่ที่เราไม่ต้องมีภารกิจการงานอะไรต้องทำนอกจากดูแลเลี้ยงดูร่างกายเรารักษาร่างกายเราให้สะอาดเท่านั้นเองเการภาวนานี้เหมาะกับผู้ที่ ไปอยู่ตามวัดไปอยู่ตามสถานที่สงบหรือถ้าอยู่บ้านก็อยู่บ้านแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครถ้าอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีภารกิจการงานอะไรต้องทำก็ใช้บ้านเป็นที่ปฏิบัติได้เป็นที่เจริญสมถะภาวนาได้อันนี้ก็ในการจะจ ะ, จะเจริญสมถะภาวนาเพื่อให้ได้รับความสุข ก็ยังต้องมีการสนับสนุนด้วยการรักษาศีลคือปกติถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วพอเรามาเจริญภาวนาสมถะภาวนาวิวิปัสสนาภาวนานี้เราจำเป็นที่จะต้องมีศีลแปดเป็นผู้ที่มาช่วยสกัดกั้นความโลภความอยากต่างๆของเราเพราะถ้าเราไม่ถือศีลแปด น, นี้มันก็ยัง พอเราเกิดความอยากจะไปดูหนังฟังเพลงศีลห้าไม่ห้ามเราก็ดูได้เราอยากจะไปแต่งเนื้อแต่งตัวทำเข้าทำผมทำอะไรต่างๆแล้วก็ทำได้แต่ถ้าเราถือศีลแปด น, นี้เราก็จะไปทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้อยากจะกินอาหารตามเวลาที่เราต้องการทุกเวลาอยากจะกินตอนไหนก็กิน ถ้าถือสินแปะก็กินไม่ได้สินแปนี้อนุญาตให้เรากินเพียงแค่เที่ยงวันตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวันเพราะว่าความจําเป็นของร่างกายนั้นพอเพียงแล้วกับการรับประทานอาหารแค่มื้อสองมื้อก็พอไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรับประทานมากบ่อยการรับการรับประทานบ่อยนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากกิเลสตัณหานี่เองความโลภความอยากกินอาหาร เราภาวนาเพื่อสกัดกั้นการความอยากต่างๆความโลภต่างๆศิ่งห้าไม่มีไม่มีหน้าที่ที่จะมาสกัดกั้นกิเลสตัณหาเพียงแต่สกัดกั้นการกระทำบาปเท่านั้นถ้าอยากจะสกัดกั้นกิเลสตัณหาเพราะเราต้องการที่จะลดกำลังของกิเลสแล้วก็เพิ่มเวลาให้กับการปฏิบัติเราก็จะต้องถือศิ่งแปดถ้าเราอยากจะ เจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาให้เกิดผลขึ้นมาเราก็ต้องถือศีลแปดจากศีลห้าเราก็เพิ่มเป็นเพิ่มอีกสามข้อข้อที่สามของศีลห้าก็เปลี่ยนเป็นอบร拉มจริยาคือไม่ร่วมเพศกับใครไม่ร่วมหลับนอนกับใครศีลห้ายังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับผู้ครองของตนได้แต่พอถือศีลแปดนี้ให้งดกิจกรรมทางเพศไป แล้วก็ให้ลดการการรับประทานอาหารให้ใ ห, ให้ได้ให้เพียงแค่เที่ยงวันเท่านั้นไม่ให้รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วเพื่อจะได้เอาเวลาหลังเที่ยงวันนี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิกันแล้วก็ไม่ให้ไปหาความสุขจากการบันเทิงต่างๆไม่ไปดูหนังไม่ฟไงฟังเพลงร้องลําทําเพลงดูละคร หรือดูอะไรต่างๆในมือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้สถานที่ปฏิบัติธรรมบางแห่งนี้เขาจะยึดมือถือเลยเวลาใครจะไปปฏิบัตินี้ไม่ให้เอามือถือไปด้วยให้ฝากไว้ที่สํานักงานเพราะว่าถ้ามีมือถือแล้วเดี๋ยวมันอดที่จะอยากดูไม่ได้อยากดูอยากรู้อยากเห็นอะไรไม่ได้ แทนที่จะเวลามันเจริญพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเรามานั่งกดมือถือดูนั่นดูนี่แล้วก็ส่งข้อความติดต่อกับคนนั้นคนนี้เป็นการสนทนากันไป mm hmm. เวลาที่จะเอามาให้กับการจเจริญสติ mm hmm. เพื่อทําใจให้สงบก็จะหมดไป mm hmm. มาอยู่วัดก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไร mm hmm. อย่าเดี๋ยวนี้วัดบางแห่งเขาก็จะขอร้องให้ ให้ไม่ให้เอามือถือมาถ้าเอามาก็ขอให้มอบฝากไว้กับที่สำนัก ง, งานไว้ก่อนไม่ต้องการให้ใช้มือถือเพราะว่ามันจะทำให้รบกวนการภาวนาจะทำให้การภาวนานี้เป็นไปได้ยากและไม่ได้เกิดผลขึ้นมานั่นเองนี่คือเรื่องของศีลแปดนอกจาก ข้อข้อที่ ข, ข, ขยังมีข้อหนึ่งคือข้อที่8ข้อที่แปดก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปาการนอนนอนมากเกินไปก็เกิดจากการที่เรานอนบนที่นอนที่สำลันที่ที่มีพูกเหนียวหนาเตียงใหญ่ๆนอนแล้วมันรู้สึกมีความสุขมันนุ่มมันจะนอนมากกว่าความต้องการของร่างกายพอตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายได้พักผ่อนพอแล้ว แต่ใจนี้มันยังไม่อยากจะลุกเพราะมันอยากจะอยู่กับความสบายของการนอนอยู่มันก็จะนอนต่อไปอีกสองสามหรือสี่ชั่วโมงทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติไปผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัตินี้ต้องพยายามดึงเราเวลาจากกิจกรรมอย่างอื่นมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าไม่อยากจะนอนมากเกินไปก็ให้นอนบนพื้นแข็งๆปูผ้าหรือปูเสือ่อ เวลาร่างกายได้พักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็จะเต่นขึ้นมาเราจะไม่จะไม่นอนต่อเพราะมันนอนไม่สบายถ้านอนบนพื้นแข็งๆมันก็จะได้จะได้รีบลุกขึ้นมานั่งภาวนาจเจริญพุทโธพุทโธต่อไปได้นี่คือการจเจริญสมถะภาวนาต้องมีศีลแปดเป็นผู้สนับสนุนสังเกตดูเวลาที่เราไปปฏิบัติตามสำนักต่างๆ เวลาเข้าเท่าคอร์สต่างๆสามวันห้าวันเจ็ดวันนี้เขาจะให้เราถือศีลแปดกันทั้งนั้นเพื่อที่เราจะได้ห้ามปามกิเลสตัญหาที่อยากจะสร้งหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโถดพธพาชนิดต่างๆนั่นเองเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเพิ่มให้กับการปฏิบัติให้มากขึ้นถ้าเรามีเวลาปฏิบัติ พอเราเตื่นขึ้นมาเราก็เริ่มใช้พุทธโธพุทธโธไปพุทธโธไปเรื่อยๆถ้าเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นอนพอพอได้สติก็กลับมาที่พุทธโธต่อ<ม>แล้วก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่อยากจะใช้พุทธโธหรือเราจะสลับพุทธโธกับการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้<ม>เรียกว่ากายกตาสติการใช้พุทธโธนี้เราเรียกว่าพุทธานุสติ มีสติและเลิกเล่นอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราอาจจะไม่ชอบหรืออาจจะเหนื่อยจากการบริกรรมพุทธโธเราก็เปลี่ยนมาเป็นการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้เรียกว่ากายกตาสติร่างสติอยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่ที่การกระทำต่างๆของร่างกายไม่ว่าร่างกายจะทำอะไรคอยเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เวลาลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาใจก็ต้องดูแล้วตอนนี้ร่างกายกำลังอยู่ในท่าไหนกาลังทำอะไรกำลังนอนพอจะลุกขึ้นมาก็รู้ว่ากำลังลุกขึ้นมาพอจะยืนก็รู้ว่ากำลังยืนพอจะเดินก็รู้ว่าเดินให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายในทุกทิวียาบทไม่ว่าจะทำอะไรอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับการอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันตลอดเวลา ไม่ให้แวาไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราพยายามควบคุมใจให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้เราจะลดความคิดปุงแต่งได้แล้วเวลาที่เรามานั่งสมาธินี้จะนั่งได้ง่ายนั่งได้สบายจะไม่รู้สึกอึดอดัดจะไม่รู้สึกทุ้งร้านแต่ถ้าเราไม่มีสติเลยปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยเปื่อย คิดไปตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจะมาถึงเวลาที่เรามานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิจะให้มันหยุดคิดมันก็ไม่หยุดคิดเพราะไม่มีการหยุดมันไม่มีการห้ามปราบมันกันมาก่อนบ่อยให้มันคิดตามอธัธยาศัยตามความพอใจมันก็จะนั่งคิดต่อไปนั่งสมาธิได้เดี๋ยวเดียวก็ทนนั่งไม่ไหวแล้วเริ่รู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หรือบางทีพอเริ่มนั่งก็เริ่มรู้สึกอึดอัดขึ้นมาแล้วพอจะให้ดูลมหายใจก็อึดอัด พอให้บริการพุโทโธพุโทโธก็ปวดตรงนั้นปวดอัดตรงนี้ทําไม่ได้อันนั้นก็เป็นเพราะว่าสติไม่มีกําลังที่จะคอยควบคุมกิเลสนั่นเองควบคุมความคิดต่างๆเวลานั่งนี้กิเลสมันไม่ชอบเวลานั่งเฉยๆกิเลสมันไม่ชอบกิเลสมันชอบการเคลื่อนไหวชอบไปโน่นชอบมานี่ชอบทําน่นชอบทํานี่พอให้มันนั่งอยู่เฉยๆนี่มันก็จะเกิดอาการต่อต้าน ทำให้เกิดมีความรู้สึกอึดอัดแน่นตรงนั้นแน่นตรงนี้นั่งแล้วไม่มีความสุขไม่มีความสบายเลยก็เลยไม่สามารถนั่งได้อันนี้สาเหตุก็เกิดจากการที่ไม่ได้เจริญสติมาก่อนมาล่วงหน้าก่อนแต่ถ้าได้เจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็คอยควบคุมเลยควบคุมความคิดอย่าให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทโธก็ได้ให้อยู่กับการ เคลื่อนไหวให้การขยับของร่างกายในทุกอิริยาบห<ม>เพื่อที่คอยสกัดกั้นความคิดต่างๆใจก็จะคิดน้อยลงแล้วใจจะรู้สึกเย็นขึ้นเบาเบาขึ้นมีความสบายมากขึ้นแล้วก็อยากจะอยู่เฉยๆได้เพราะความคิดนี้เป็นตัวที่กระตุ้นให้เราอยากจะไปทํานูน่ทนทํานี่พอเราไม่ได้คิดแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เราอยากจะไปทําอะไร เราก็จะอยู่นิ่งอยู่เฉยๆได้พอนั่งสมาธิให้อยู่กับพุโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆจนทําให้ใจนิ่งสงบรวมเป็นหนึ่งได้เป็นสมาธิขึ้นมาเป็นเป็นสักตรวรมรู้มีอุเบกขาใจวางเฉยตอนนั้นตอ น, ตอนที่ใจนิ่งนี้ความรักความชางังความโลภความโกรธอะไรต่างๆนี้จะไม่ทํางานใจจะเย็นใจจะสบายมีความสุข เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลธพาชนิดต่างๆเมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบเนื้อห่างไกลเหมือนฟ้ากับดินความสุขของสมาธิของความสงบนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เหล่านี้มีพลังที่จะสู้กับความโลภความโกรธความหลง ที่พยายามที่จะ ด, ดึงให้เราไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ่นี้คือขั้นต้นของการภาวนาการชำระความโลภความโกรธความหลงเราต้องสร้างพลังให้กับใจคือความสงบแล้วก็สร้างความสุขที่เลิศ ก, กว่าความสุขที่เราจะได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสพอเราได้ความสุขที่ดีกว่า เวลาที่เราออกจากสมาธิมาพอกิเลสอยากจะให้เราไปหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสอยากไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปกินไปดื่มรูออยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เนี่ยถ้าเราก็สามารถใช้ปัญญาตอบมาสอนใจสอนใจให้รู้ว่าความสุขที่เราจะได้จากลาบยกสรรเสริญอยากรูปเสียงกลิ่นรสนั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ จะต้องมีวันหมดไปไม่ช้าก็เร็วแล้วเวลามันหมดมันก็จะทำให้ใจเราเศร้าทำให้ใจเราทุกข์ทำให้เราเสียใจทำให้เราเหงาทำให้เราว้าเวขึ้นมาเพราะนี่คือธรรมชาติของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันเป็นของที่ไม่ถาวรเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปไม่ช้าก็เร็ว เวลามันดับไปมันจากเราไปมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นอย่างนี้และมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเมื่อเราเห็นธรรมชาติของราบยศเสรสนุขว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องดับอนัตตาเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ ถ้าเราอยากจะให้มันไม่ดับอยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นของเรามันก็จะเป็นไปไม่ได้มันก็จะทาให้เราทุกข์ใจเสียใจพอเราได้เห็นความจริงด้วยปัญญาอันนี้คั้นนี้เราเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาภาวนาเห็นความจริงของโล ก, กธรรมทั้งสี่ของลาบยศสารเสริญสุกว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง ทุกว่าเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะครอบครองมันไว้ให้อยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดพอเห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็จะไม่อยากจะไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญอีกต่อไปมันก็จะสกัดความโลภได้สกัดความอยากได้ใจก็จะนิ่งสงบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาเสกเพราะเวลา เวลาที่ความโลภความโกรธความหลงนี้มันหยุดทำงานนี้มันก็จะทำให้ใจนี้นิ่งสงบเย็นสบายขึ้นมาทันทีเวลาที่ใจเรามีความโลภความโกรธความหลงนี้มันจะร้อนมันจะกะวนก歪กับสะก์กสาน์พอเราใช้ปัญญาใช้การภาวนาทั้งสมถะและวิปัสนาภาวนามาหยุดมันไดนะ้เราก็จะได้พบกับความเย็นความสบายของใจ ตันต้นเราก็ใช้การเจริญสติใช้สมถภาวนาหยุดความโลภความโกรธความหลงไว้ชั่วคราวเพื่อที่เราจะได้เห็นความเห็นคุณค่าของการไม่มีกิเลสว่าเป็นอย่างไรเห็นคุณค่าของการหยุดความอยากหยุดความโลภว่าเป็นอย่างไรพอเราออกจากสมาธิมาพอเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญามาสอนใจพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นะั้นมันเป็นทุกข ไม่ใช่เป็นสุขถ้าเป็นสุขมันก็เป็นสุขตอนต้นท่านั้นสุขตอนที่เราได้มาใหม่ๆเวลาเราอยากได้อะไรพอเราได้มาแล้วเราจะดีใจมีความสุขใจแต่พออยู่ไปสักระยะหนึ่งสิ่งที่เราได้มาอาจจะเปลี่ยนไปหรืออาจจะหมดไปพอมันเปลี่ยนไปหมดไปความสุขที่ได้ก็เปลี่ยนไปหมดไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแทนที่ ต้องเห็นใจรักเห็นอันนี้จังเห็นอน น, อนาตาเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วเราก็จะสามารถที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กําจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้หมดสิ้นไปได้ถ้าเราสามารถทำใจให้สงบด้วยสมาธิด้วยการเจริญสติใจนิ่งสงบใจก็จะเป็นพรหมขึ้นมา ใจก็จะอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วถ้าเราจเจริญปัญญาได้ใจก็จะก็ใหเป็นใจของพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิราคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอาหารหันต์ตามลําดับของการกําจัดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่เป็นขั้นๆมีอยู่สี่ขั้นด้วยกัน ขั้นสูดาบันขั้นสกิกาดาคาขั้นอนาคาและขั้นพระอรหันต์ก็ใช้การเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาเนี้ยคอยกําจัดไปเป็นขั้นๆไปจนถึงขั้นสูงสุดก็จะได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วก็ใจก็จะได้ได้พระนิพพานมาเป็นเป็นเป็นรางวัลเป็นสิ่งที่เป็นสมบัติไว้ครอบครอง เท่านิพานก็คือใจที่สงบนิ่งตลอดเวลาปราศจากความโลภความโกรธความหลงเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปแล้วก็เป็นใจที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะเหตุที่พาให้ใจของพวกเราที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเรานี้เองพอเราได้ได้ชำระมันได้กําจัดมันแล้ว ก็จะไม่มีอะไรที่จะดึงใจของเราให้มาเวียนว่ายตายเกิดกต่อไปเมื่อไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายอันนี้แหละเป็นการหลุดพ้นความทุกข์อย่างสมบูรณ์ถ้าตาบใดยังมีการกลับมาเกิดอยู่ตามนั้นก็ยังจะต้องมีความทุกข์อยู่ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพากจากสิ่งที่เรารัก จากบุคคลที่เรารักและความทุกข์ที่เกิดจากการได้เผชิญกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มาเกิดกันแล้วจะไม่มาเกิดกันได้ก็ต้องมีการเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาที่เป็นเครื่องชำระซักพอกกิเลสตัญหาให้หมดไปจากใจทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์เป็นเหมือนผ้าผ้าสกปรกนี่เราก็เอาไปซักพอเราซักเสร็จ สิ่ข้าวสกปรปกที่ติดอยู่เสื้อผ้าก็หายไปแต่ผ้าไม่หายไปไหนผ้าก็ยังอยู่ใจของผู้ที่ไปถึงนิพพานนี้ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนใจของผู้ที่อยู่นิพพานก็ยังเป็นใจเหมือนกับที่ยังไม่ได้ตอนที่ยังไม่ได้ซักพอต่างกันตรงที่พอได้สักพอกเสร็จแล้วเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เป็นใจที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดตามมาอันนี้เป็นบุญ เป็นการทำบุญขั้นสูงสุดแต่ต้องอาศัยการทำบุญเป็นขั้นขั้นไล่ขึ้นไปคือตั้งแต่ขั้นที่1ก็คือการทำทานขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลแล้วก็มาขั้นที่สคือการภาวนานี่เป็นบุญหลักที่เราต้องปฏิบัติกันถ้าเราอยากที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงและกำจัดความทุกข์ที่แท้จริงที่ถาวร ต้องมีการทาทานต้องมีการรักษาศีลต้องมีการภาวนาแต่นอกจากบุญทั้งสามชนิดแล้วเราก็ยังต้องอาศัยบุญบางส่วนเพื่อมาช่วยเราสนับสนุนให้เราได้เข้ามาสู่การภาวนาเข้าสู่การทาทานและการรักษาศีลเช่นเราต้องมีบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องการมีความเห็นที่ถูกต้องก็คือการเห็นว่า ความทุกข์ของเรานี่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงวิธีที่เราจะกำจัดความทุกข์ให้มันหมดสิ้นไปจากใจได้ก็เกิดจากการทำทานรักษาศีลและภาวนานี่เองถ้าเรายังไม่มีความรู้ที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเราก็ต้องใช้การฟังเทศฟังธรรมศึกษาพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเราก็จะได้ได้ความเห็นที่ถูกต้อง พระพระุทธเจ้าก็จะสอนให้เรากำจัดความทุกข์ด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่งนี้ก็คือบุญที่เกิดจากการฟังธรรมบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วถ้าเราอยากจะแบ่งบุญที่เราได้เวลาที่เราทำบุญทำทานเราสามารถแบ่งบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้คนที่เขาตายไปแล้วบางทีเขาไม่มีบุญเขาก็จะ จ, จะมารอรับบุญของเรา เวลาเราทําทานทุกครั้งที่เราทําบุญทําทานเราก็สามารถอุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้อื่นได้การได้อุทิศบุญให้กับผู้อื่นก็จะทําให้เราเกิดความสุขขึ้นมาดีใจว่าเราสายยังสามารถทําอะไรให้กับบุคคลที่เราลากเราเคารพได้ถึงแม้ว่าเขาจะจากเราไปแล้กกวก็าตามเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ถ้าเราคิดถึงเขาเป็นห่วงเขาอยากจะให้เขาอยู่บนสวรรค์ เวลาที่เราทำบุญทาทานแล้วก็แบ่งบุญที่เราทำนี้ให้กับเขาได้เรียกว่าเป็นการอุทิศบุญนี่คือก็คือ ก, ก, ก, ก, การวิธีทำบุญอีกวิธีหนึ่งแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เร า, าการที่เราอนุโมทนาบุญร่วมบุญกับผู้เวลามีคนอื่นเขาทำบุญเช่นปีนี้มีญาติพี่น้องจะไปทอดกระถินที่นั่นที่นี่ เราก็ร่วมไปทำกับเขาเรียกว่าร่วมร่วมบุญก็เรียกอนุโมทนาบุญยินดีกับการทําบุญแล้วก็ช่วยสนับสนุนการทําบุญเราก็จะได้ความสุขอีกแบบหนึง่งวิธีการทําบุญที่ให้ความสุขกับเราเอีกแบบหนึ่งก็คือการช่วยเหลือผู้รับใช้สังคมเป็นจิตอาสาถ้าเราอาจจะไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทางที่จะเอาไปทําบุญทําทาน แต่เรามีเวลาว่างเราก็ไปเป็นอาสาสมัครทำคุณทําประโยชน์ต่างๆให้กับสังคมก็ได้หรือเห็นคนคนแก่คนชราที่เขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือพอเรามีเวลาว่างเราก็ไปช่วยเหลือกันอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการทําบุญอีกวิธีหนึ่งบุญเหล่านี้มันจะสะสมไปใ น, ในใจของเราแล้จะผลักดันให้ใจของเรานี้ เวลาตายไปนี้ได้ไปสู่สุคติได้ไปสู่ความสุขในระดับต่างๆไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับระดับของการทำบุญของเราว่าอยู่ในระดับไหนถ้าเราอยากที่จะไปถึงระดับที่สูงสุดเราก็ต้องทาทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาการทาทานรักษาศีลภาวนานี้เป็นการเป็นการสร้างบุญที่สูงสุดเป็นการดับความทุกข์ที่ถาวร ไม่ต้องกลับมาก่อแจ่เจ็บตายต่อไปไม่ต้องมาเวีนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอย่างที่เรากำลังทุกข์กันอยู่ในขณะนี้นี่คือเรื่องวิธีการหาความสุขกำจัดความทุกข์ที่ถูกต้องที่แท้จริงต้องเกิดจากการทำบุญด้วยวิธีการต่างๆที่ได้แสดงมาในวันนี้อย่าไปหาความสุขดับความทุกข์ด้วยการไปหาลาบยศสรรเสริญ หาลูกเสียงกลิ่นรสมาเสกเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเวลาที่มันสิ้นสุดลงมันก็จะให้เราเกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิ ด, เ ก, ดเกิดความวาดว้าวเหว่เกิดการซึมเศร้าตามมาควรที่พยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เปลียนวิธีทําสร้างความสุขด้วยการมาทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรม หรือไปทำคุณทําประโยชน์ให้กับสังคมโดยการเป็นอาสาสมัครอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ถ้าเรามีธรรมะมีหนังสือธรรมะดีๆเห็นมีคุณค่าเราก็สามารถแบ่งปันธรรมะให้แก่ผู้อื่นได้การให้ธรรมะนี้ก็เป็นการให้ความสุขทำทำความสุขให้กับเราได้เช่นกัน เวลาเราเผยแผ่ธรรมเห็นคนที่เขาไม่มีธรรมะได้อ่านได้ฟังธรรมได้ศึกษาธรรมแล้วเอาไปแก้ปัญหาคือความทุกข์ต่างๆของเขาได้มันก็จะทําให้เรามีความสุขขึ้นมาที่เราได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นได้นี่คือนี่คือวิธีการสร้างความสุขให้กับใจวิธีกําจัดความทุกข์ให้กับใจที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าได้ดําเนินมาและได้ นำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราขอให้พวกเราน้อมรับเข้ามาด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อแล้วด้วยความเพียรพยายามแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขและความสิ้นทุกข์ที่พระเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พบกันอย่างแน่นอนการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปูราภะริปุเรนติสาคหลังเอวเมีวอิโตทินางเปตานางอุปกปติอ e ิชิต e ังปฏิตังตุมหัง e คิดเปมีวาสนิจจตุสัพเพปุเรนตุสังตปา จันโทปนะราโสยถาไม่โชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินาศสตว มาเตผวะตวันตารโยสุขิทีขายุโกผวะพิวะธนสีลิกษะนิจังวุฒาประจายโนจตารูธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัาเช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามต่อบคำถาม ใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง u t u b e ก็ได้แต่หลังจากที่เราเลิกแล้วนี้จะไม่ไม่ขอตอบคำถามนะเพราะมันจะไม่สะดวกอยากจะถามขอให้ถามในช่วงนี้เลยวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กรับเรียนพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมานาคุดจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติ461ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 260 YouTube Dr. V 77วิทยูออนไลน์5 Club h o u s ์7นาคุต193รวมทั้งหมด 1,003 ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนาคุตค่ะน้ำกราบพระอาจารย์สุชาติค่ะ ขอท่านช่วยสอนเรื่องกลางๆในพระพุทธศาสนาอย่างแจ่มแจ้งค่ะเกี่ยวกับสุวนยตามัชิมาปฏิปทาอุเบกขาสังขารุเบกขายานทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อยู่ตรงกลางใช่หรือไม่คะแ ต, แต่กลางของแต่ละกลางมีความหมายต่างกันอย่างไรต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้มาต่างกันอย่างไรและผลที่ได้รับเหมือนหรือต่างกันแบบไหนเจ้าคะน้อมกาบขอบพระคุณออค่ะ ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างที่ได้แสดงไว้วันนี้แล้วก็จะได้คำตอบทั้งหมดที่ถามมานี่เพราะมันเป็นเรื่องที่ลึกและกว้างและมากอยาให้มาตอบครั้งนี้ครั้งเดียวมันคงจะไม่สะดวกเพราะมันต้องเกิดจากการปฏิบัติถึงจะได้พบกับความจริงของที่ในสิ่งที่เราอยากจะรู้อยากจะเห็นฉั้นขอให้เราปฏิบัติกัน ปฏิบัติทมทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาไปแล้วสิ่งต่างๆที่อยากจะรู้อยากจะเห็นนี่ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับมีคำเขียนอยู่ข้างหลังอะคะอ่ะเขาน้าจะถามว่าเขาเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะ ตามที่สิทธิ์เข้าใจคือทุกอย่างขมวดทุกอย่างขมวดปมเป็นทุกสิ่งในโลกและสามโลกคือทรรมคู่อยู่ภายใต้กฎอนิจจังคือมีเกิดมีดับมีชอบมีชังมีสุขมีทุกมีมืดมีสว่างแต่นิพพานคืออยู่ตรงกลางของเหรียญทั้งสองด้านไม่โอนเอียงไปฝั่งใดการที่จะเข้าใจได้อย่างแท้จริงต้องปฏิบัติ ถ้ายัางไม่ได้ปฏิบัติก็จะเป็นการคาดคะเนไปซึ่งก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรงั้น mm. อย่าเสียเวลามานั่งคาดคะเนเอาเวลามาภาวนาดีกว่าจะเริญนสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสงสัยก็จะ mm. ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้เห็น mm. ถ้าตอนนี้ก็เป็นเหมือนคนตาบอดมานั่งคาดคะเนว่าตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้มันก็มองไม่เห็น เป็นเพียงแต่การคาดคะเนสู้มาเปิดตาเราดีกว่าพอเปิดตาแล้วก็ไม่ต้องมาคาดคะเนจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงของมันการภาวนานี่ก็เป็นการเปิดตาในเปิดใจของเราที่ถูกโมหะอวิชชาความหลงความมืดบอดครอบงำอยู่พอภาวนาแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดม่านของอวิชชาของโมหะให้ออกจากใจไป เราใจก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงของมันคำถามจากผู้รับฟังนะกุณอีกท่านค่ะญาติาติครอบครัวชวนเราไปลงเรือในเรือญาติยาติครอบครัวชวนเราไปลงเรือในเรือมีกิจกรรมการตกปลาถ้าเราไปด้วยเราจะบาปไหมคะเราร่วมหารค่าออกเรือด้วยค่ะไม่บาปหรอกถ้าเราไม่ได้ไปตกปลารับ หรือถ้าถ้าตกปลาแล้วได้มาแล้วก็ปล่อยเข้าไปเขายังไม่บาปแต่ถ้าทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ยถึงจะเรียกว่าบาปคะคำถามจากผู้รับฟังนะกุฎอีกท่านค่ะเพื่อนที่นับถือศาสนาอิสลามฝากคำถามมาดังนี้ค่ะคนมีเงินหนึ่งพันบาททาบุญหนึ่งบาทกับคนมีเงินหนึ่งแสนบาททาบุญหนึ่งรบาททั้งสองคนนี้ใครได้บุญมากกว่ากันคะ คือบุญนี้เกิดจากความรู้สึกในใจของเราจากการเสียสละของเราเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินน้อยกว่าแต่บริจากเท่ากันนี้เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเสียสละมากกว่าเวลาต้องดูสัดส่วนของเงินที่เราเสียสละไปเป่นคนมีแสนหนึ่งเสียไปร้อยหนึง่งก็เท่ากับร้อยลหนึ่งหรือเปล่าไม่ถึงหนึ่งร้อยศูนจหนึ่งแต่คนที่มีเท่าไหร่นหนึ่งหรือร้อง มีหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันบอยจากไปร้อยหนึ่งก็เท่ากับร้อยละสิบแล้วนนคนที่เสียบริจาร้อยละสิบจะมีความรู้สึกมีความสุขมากกว่าความรู้สึกสุขนี่แหละเรียกว่าบุญค่ะคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะอยากขอธรรมะจากหลวงพ่อค่ะ เนื่องจากสามีขอไปบวช ต, ตอนนี้ทุกมากเพราะลูกต้องการพ่อส่วนตัวคิดว่าพ่อก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองเราควรคิดหรือสอนตัวเองยังไงไม่ให้เป็นทุกข์คะก็คิดว่าเขาเป็นอ น, นิจจังเขาเป็นของไม่แน่นอนมีเกิดมีดับตอนนี้เขาจากเราไปแล้วก็คิดว่าเขาตายไปแล้วก็แล้ากันคำถามจากทางฟอีกท่านคะ โยมสังเกตเห็นอารมณ์ตัวเองคือความขุนใจค่ะโยมพยายามดึงสติมารู้ตัวว่านี่กำลังคิดอย่างนี้อยู่กำลังไม่พอใจอยู่โยมจะเบรคตัวเองว่าที่เป็นอยู่นี้ไม่ถูกต้องก็จะเฉยๆค่ะก็จะสบายใจแต่บางทีเบรคไม่อยู่ค่ะปรุงแต่งไปอีกก็หยุดได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะแต่พอดึงสติมาให้ใจว่างๆก็จะสบายใจดีควรปรับปรุงอย่างไรเจ้าคะ ก็ถ้ามันไม่ว่างมันไม่หยุดก็ต้องใช้คำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือใช้การสวดมนต์ไปภายในใจมันถึงจะว่างได้มันถึงจะหยุดได้บางทีสติเรามีกำลังน้อยเราก็ต้องใช้พุโทโธใช้การสวดมนต์ช่วยดึงช่วยสร้างสติของเราให้มีมากขึ้นพอเรามีสติมากขึ้นเราก็จะหยุดความคิดที่ทำให้เราไม่สบายใจได้ คำถามจากทาง Facebook ค่ะเวลาฝึกสมาธิรู้สึกเคริ้มเคริ้มเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความรู้สึกนี้เป็นการเข้าสมาธิหรือการหลับเจ้าคะก็รู้สึกว่าเราความรู้สึกตัวเรามากขึ้นหรือน้อยลงถ้าความรู้สึกตัวเราน้อยลงก็แสดงว่าเราจะเข้าสู่การหลับแล่ก็ถ้าเราเคริมคร้มส่วนใหญ่มันก็จะหลับเพราะการภาวนาจริงๆมัไม่ควรเคลิ้มมนคนจะตื่นตัวตลอดเวลา ถ้าเคริ้มนี่ก็แสดงว่าเราจะกําลังจะหลับก็ควรที่จะเปลี่ยนการนั่งมาเป็นการเดินแทนเดินจงกรมแทนแล้วมันก็จะไม่เคลิ้มคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเดินจงกรมแล้วมีลมตีขึ้นตลอดจะทําอย่างไรเจ้าคะลมตีขึ้นเหรอก็ปล่อยมันตีไปเลยมันเรื่องของมันเรื่องของลมเราไม่เกี่ยวกับมันลมมันจะตีขึ้นตีลง ม, มันก็เรื่องของลม เวลาเราภาวนาเราไม่ต้องไปสนใจกับอาการาต่างๆให้อยู่กับการภาวนาของเราก็แล้วกันแ้เดี๋ยวอาการาต่างๆมันก็จะหายไปเองคำถามสักทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะขอความกรุณาพระอาจารย์แนะนำวัดที่สับปะยะเอื้อต่อการออกบวชปฏิบัติภาวนาพร้อมทั้งมีครูบาอาจารย์ชี้แนะสั่งสอนด้วยครับ ก็ลองเสิร์ชในกูเกิลดูแล้วกัน ว, วัดวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นเขีนเข้ไปวัดปฏิบัติทำสายหลวงปู่มั่นก็จะมีวัดว า, ดวาดต่างๆเยอะแยะไปหมดเราก็ต้องไปไปอยู่ลองอยู่ลองลองลอ ง, ล อ, งอยู่ดูว่าถูกกับจริตของเราหรือไม่เพราะแต่ละวัดอาจจะมีพิีมีขั้นตอนมีการปฏิบัติอะไรที่อาจจะต่างกันบ้าง แต่โดยหลักก็จะเหมือนกันจะปฏิบัติกรรมฐานจะกรรมจะปฏิบัติทุนลงขวัดเนคำถามจากยูทูบด็อตอร์วีค่ะ ญาติมีพระที่เคยเคารพนับถือท่านมักจะยืมเงินประจำบางทีก็อ้างนำเงินไปทำบุญญาติก็รู้ว่าโกหกแต่ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเลยให้ไปถือว่าเขาเคยมีบุญคุณเคยให้ข้าวตอนเด็กแบบนี้ญาติได้บุญไหมคะใครคนขอหรือคนให้คนให้ค่ะคนให้ก็ได้บุญถ้าให้เขาไปเราก็ได้บุญคิดว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณไปความ ก, กตัญญูกตเวที คำถามจาก y o u t u ด็อเตอร์ค่ะเราจะเดินสติอย่างเดียวโดยไม่นั่งสมาธิได้ไหมครับก็ได้ครึ่งหนึ่งได้ความสงบครึ่งเดียวถ้าอยากจะได้ความสงบเต็มร้อยก็ต้องนั่งเพราะเวลาเดินนี่มันจะไม่ได้สงบนิ่งสนิทเลยทีเดียวมันก็ยังมีการคิดบ้างแต่ถ้าเรานั่งเฉยๆนี่สามารถทำให้ความคิดนี้หยุดได้หมดเลยเราจะได้ความสุขเต็มร้อย คำถามจาก YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะคิดพุทธโธใจอยู่กับพุทธโธบุญเกิดตอนไหนคะตอนที่มันสงบตอนที่ใจนิ่งสงบมีความสุขอันนั้นะความสุขใจก็คือบุญถ้ายังไม่สงบยังไม่สุขใจก็ยังไม่ได้บุญได้แต่ความเพียรพยายามที่จะทำใจให้สงบก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามก่อนถึงจะสงบได้ เพราะอยู่ดีๆจะสั่งให้มันสงบนี่มันเป็นของที่เป็นไปไม่ได้ต้องเกิดจากความเพียรพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะนิ่งสงบอพอสงบแล้วก็เกิดจากเกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจนี้เรียกว่าบุญหมดแล้วเหรอคะยังไม่มีคำถามค่ะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมอ่เข้ามาได้เดี๋ยวา่เ า, าเอาไมคครโฟนไป ของมันรโผลให้เขาใช้เลยสัพติคบพระอาจารย์วันทีคุณแม่เขาป่วยอยู่อย่างเงี้ยเราจะออมอนุโมทนาบุญของเราเนี่ยไปช่วยคุณแม่ได้ได้ไหมครับคุณแม่ต้องคุณแม่ต้องอนุโมทนาเองไม่ใช่เราไปอนุโมทนาเช่นถ้าเรากลับไปบ้านแล้วบอกว่าแม่วันนี้ลูกหานได้มาทําบุญกัน ถ้าคุณแม่เขายินดี mm. เขาชื่นชมยินดี mm. เขาก็ได้บุญจากการที่เราทําบุญ mm. แต่เราต้องบอกเขาแต่ถ้าเขาไม่ยินดีเข mm. าโอกวเสียดายเงินเอาไปทําบุญทําไมเสียเสียดายเงินอย่างนี้ก็จะไม่ได้บุญ mm. ทางดีโรคภัยของคุณแม่เนี่ยพอจะมีเบาบางได้ไหมครับถ้าวิธีอย่างนี้อ๋อไม่ได้หรอกร่างกายมันเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของจิตใจแม้ mm. mm. แต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย mm. mm. มัเป็นคนละเรื่องกัน mm. ต้องทำใจเท่นั้นเรื่องสนับเรื่องร่างกายว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจของคนไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ต้องกลัวให้เขาทำบุญให้ให้เขาให้เขาทำใจให้นิ่งสวดมนต์ไปหรือเอาธรรมะไปเปิดให้เขาฟัง ใ, ใจเขานิ่งสงบแล้วใจเขาจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ทาจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะขอสอบถามเรื่องการปฏิบัติครับบางเวลาเกิดอาการไห ว, ไวอยู่กลางอกบางครั้งก็ทำให้เกิดร่างกายไหวตามผมควรทำอย่างไรต่อไปครับก็ไม่ต้องสนใจเวลาภาวนานี่มันจะมีอาการแปลกๆอะไรเกิดขึ้นอยู่เสมอขอให้เรายึดมั่นกับการภาวนาของเราถ้าเราบริยกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปไปห่วง ถ้าดูลมก็ดูลมไปหรือว่า ก, วการต่างๆมันก็จะหายไปเวลาใจสงบคำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะมีความสงสัยในสัมมาอาชีพครับเราเลี้ยงชีพค่าแรางขั้นต่ำก็พอหรือเราต้องหาเพิ่มมากๆหลักหมื่นหลักแสนครับก็แล้วแต่เราพระพุทธเจ้าสอนว่าให้หาน้อยๆหาท่าเท่าที่จำเป็น นัน้อยสั่โดยอย่างพระท่านก็สอนให้ไปบินทบารแล้วก็ฉันมือเดียวเนี่ยก็พอคือเอาเอาเท่าที่จำเป็นต่อการเลี้ยงชีพเพราะว่ามากไปกว่า น, นั้นมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับร่างกายเอาเวลาที่ไปหาเงินมาที่เกินความจำเป็นนี้มาหาธรรมะดีกว่ามาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ทรัพย์ภายในที่มีคุณค่ากว่าทรัพย์ภายนอก ถ้าไม่มีคำถามค่ะถ้าไม่มีคำถามก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนํามเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ